สวัสดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากสี่เสีพิบาล น, นะครับในเช้าวันนี้เราอยู่ในชีวิตพระเยซูตอนที่สองร้อยเจ็ดสิบเอ็ดเรื่องคำอธิษฐานของพระเยซูครั้งที่สี่สิบหกโปรดประทานอาหารประจําวันแก่ข้าพวงหลายในการบันนีซึ่งเป็นตอนสุดท้ายแล้วนะครับพี่น้องครับอย่าลืมนะครับว่าการเป็นห่วงกับการวางแผนนั้นไม่เหมือนกันครับการวางแผนนั้นคือการคิดล่วงหน้า การเป็นห่วงก็คือการวิตกการสงสัยซึ่งเกิดจากการเชื่อไม่พอหรือไม่เชื่อนั่นเองพี่น้องครับเราทั้งหลายรู้ว่าพระเจ้านั้นทรงทราบถึงความจำเป็นของเราที่จะได้รับการตอบสนองในแต่ละวันครับเมื่อเราเข้าใจถึงเรื่องนี้เราเข้าใจเรื่องอาหารของพระเยซูนั้นไม่ได้หมายความว่าอาหารสำหรับกินอย่างเดียว แต่เป็นความจําเป็นทุกอย่างของชีวิตของเราครับทางกายภาพนะครับทางกายภาพเน้นเรื่องกายภาพเพ่าะอะไรครับเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่เราจะต้องบริโภคนะครับบริโภคทางกายภาพก็คือไม่เพียงแต่อาหารเครื่องนุ่งห่มยาศัลย์รโรคและที่อยู่อาศัยนั่นคือกายภาพครับแต่รวมทั้งจิตภาพด้วยก็คือความสุขกายสบายใจสันติสุขที่ม า, ากับพระเจ้า พี่น้องครับอย่าลืมนะครับว่าผมพยายามเชื่อมโยงให้เราเห็นว่าคําทูลขอวิงวอนที่เกี่ยวข้องกับพระเกียรติของพระเจ้านั้นก็จะสอดคล้องกับการทูลขอวิงวอนเกี่ยวข้องกับอาหารครับพี่น้องครับในวันต่อๆไปเราก็จะพบว่าคําวิงวอนที่สองก็จะเกี่ยวข้องกับคําวิงวอนที่ห้าและคําวิงวอนที่สามก็จะเกี่ยวโยงกับคําวิงวอนที่หกครับพี่น้องครับ นี่คือสิ่งที่เกิดการเชื่อมโยงกันเพระธรรมสุภาษิตนั้นได้บอกให้กับเราในเรื่องของหลักการดำเนินชีวิตนะครับผมอยากจะฝากสุภาษิตบทที่สามสิบสามสิบข้อที่แปดนะครับบอกว่าขอให้ความมุสาและความเท็จไกลจากข้าพระองค์ขออย่าประทานความยากจนหรือความมั่งคั่งแก่ข้าพระองค์ขอเลี้ยงข้าพระองค์ด้วยอาหารที่พอดีแก่ข้าพระองค์ พีงครับวันนี้ผมจะฝากพี่น้องไว้สามคำนะครับำคาคาแรกก็คือพอเพียงคําที่สองก็คือพอดีคําที่สามก็คือพอสมควรเพียงครับคาว่าพอเพียงนั้นก็หมายถึงการที่เราต้องอธิษฐานทูลขอพระเจ้าประทานความพอเพียงให้กับเรานะครับเหมือนกับเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับการมีความพอเพียงนั้นก็คือ เป็นการเหมาะสมนะครับกับการใช้จ่ายกับการดำรงชีวิตยอยู่กับสถานภาพนะครับพระเจ้านั้นได้ทรงประทานให้ดีมานกับซับพลายดีมานแปล ว, ว่าความต้องการซับพลายก็คือการสนับสนุนหรือการเสริมนะครับการเสริมการประทานให้จากพระเจ้านั้นก็คือต้องเท่ากันครับเพราะฉะนั้นเมื่อดีมานเท่ากับซับพลายนะครับชีวิตจะเกิดความสุขสบายเพราะว่าอะไรครับเกิดความเพียงพอครับ นี่เป็นประการแรกที่เป็นข้อคิดในวันนี้คำที่สองก็คือพอดีครับคำว่าพอดีก็คือไม่ขาดไม่เกินตามโอษนะของพระเจ้าสุภาษิตบทที่สามสิบข้อที่แปดซึ่งเราได้อ่านไปแล้วนะครับก็คืออย่าประทานความยากจนหรือความมั่งคั่งแก่ข้าพระองค์ขอเลี้ยงข้าพระองค์ด้วยอาหารที่พอดีคําว่าพอดีก็คือว่าขอพระเจ้าประทานชีวิตนะครับที่ไม่ยากจนจนเกินไปและไม่ร่ํารวยจนเกินไป เพราะฉะนั้นพี่น้องครับในฐานะที่เราเป็นคริสเตียนนะครับเราอย่าทูลขอความมั่งคั่งนะครับความร่ํารวยจนเกินไปจากพระเจ้านะครับถามว่าเราขอได้ไหมครับความร่ํารวยขอได้ครับขอไปเพื่ออะไรครับเพื่อที่จะช่วยเหลือคนอื่นเพื่อที่จะให้มากขึ้นไม่ใช่ขอให้สะสมทรัพย์สมบัติในโลกนี้นะครับแต่ไม่เคยสะสมทรัพย์สมบัติในสวรรค์ลเลยนี่เป็นสิ่งที่ผิดนะครับทำให้เรากลายเป็นคนรวยที่ไม่รับผิดชอบต่อแผ่นดินสวรรค์ พี่น้องครับผมอยากจะบอกว่าอาหารนะครับปริมาณแค่ไหนถึงจะพอสำหรับเป็นอาหารประจำวันพระเจ้าตอบสนองความจำเป็นทั้งหมดหรือความต้องการทั้งหมดของเราคาตอบก็คือพระเจ้าตอบสนองความจาเป็นทั้งหมดอย่างแน่นอนครับแต่อาจจะไม่ครบถ้วนตามความต้องการทั้งหมดของเราพี่น้องครับเราสามารถอิจฉานเพื่อสิ่งจำเป็นนะครับแต่ไม่มีตอนไหนที่บอกให้เราอิจฉาขอความหรูหรา เราได้รับค <uned> ํา <femin> ส <ists> ั่งให้อธิษฐานเพื่ออาหารประจําวันนะครับแต่เราควรอธิษฐานขอกินอาหารรูหราทุกทุกมื้อหรือไม่คําตอบคือไม่ควรครับเมื่อเรามีสุขภาพที่ดีนะครับเราต้องขอบคุณพระเจ้าสําหรับสุขภาพดีๆเมื่อเรามีงานที่ดีเราก็ขอบคุณพระเจ้าสําหรับงานที่ดีเมื่อเรามีสิ่งที่น่าชื่นชมมีความสุขในชีวิตเราก็อธิษฐานขอบคุณพระเจ้าสําหรับสิ่งที่น่าชื่นชมพระพรที่เข้ามาหาเรา ที่น้องครับเราควรอธิษฐานมากน้อยเพียงใดอาหารประจำวันนั้นเพียงพอที่จะนำเราผ่านไปได้ในวันหนึ่งที่น้องครับนี่คือความพอดีนะครับไม่มากเกินไปไม่น้อยเกินไปเพียงพอนะครับพอดีและคำที่สามครับก็คือพอสมควรคำว่าพอสมควรนั้นภาษาอังกฤษน่าจะแปลว่า appropriate ก็คือเหมาะสมครับชีวิตของเรานั้นพระเจ้านั้นได้กาหนดมาตรฐานที่เหมาะสมให้กับเราแต่ละคน ไม่เท่ากันนะครับเรามีสิ่งที่จำเป็นนะครับก็คืออาหารเครื่องเงื่อนที่อยู่อาศัยและยากษาโรคนะครับเท่ากันแต่มีบางสิ่งบางอย่างที่พระเจ้าประทานให้กับเราไม่เท่ากันนะครับนี่คือ appropriate ก็คือความเหมาะสมหรือพอสมควรพี่น้องครับเมื่อเรารับความคิดเกี่ยวข้องกับการพอสมควรนะครับก็คือความเหมาะสม เมื่อเราเข้าใจคำว่าความเหมาะสมนั้นเราก็เข้าใจว่าพระเจ้านั้นทรงมีแผนการที่ดีสำหรับเราทั้งหลายแต่ละคนในเรื่องของอาหารครับอาหารประจาวันนี้ก็คือมีความหมายครอบคลุมนะครับทั้งกายภาพจิตภาพด้วยพี่น้องครับความมั่งคัง่งความร่ำรวยหรือแม้กระทั่งสุขภาพร่างกายที่ดีนะครับพอสมควรที่เราจะรับใช้พระเจ้าเราจะประกาศข่าวประเสริฐเราจะดารงชีพอยู่ในโลกนี้นะครับ ด้วยการที่เราไม่ต้องอับอายใครเพราะาลูกของพระเจ้านั้นยืนอยู่ในโลกนี้อย่างสง่าผ่าเผยครับเป็นผู้นำของสังคมได้นะครับเป็นผู้ที่ร่ารวยได้มั่งคั่งได้นะครับแต่จะต้องถวายเกียรติแด่พระเจ้าครับเพื่อที่จะให้พระนามของพระองค์นั้นเป็นที่เคารพสักการะนะครับเพราะฉะนั้นผู้เขียนสุภาษิตนะครับบอกว่าเกรงว่าข้าพงศ์จะอิ่มและปฏิเสธพระองค์หมายความว่าครับหมายความว่าถ้าพระเจ้า ให้อาหารมากจนเกินไปนะครับให้ของเรามากจนเกินไปให้ทรัพย์สมบัติเรามากจนเกินไปเกรงว่าเราจะอิ่มและปฏิเสธพระเจ้าแล้วพูดว่าพระเจ้าเป็นใครเล่าหรือเกรงว่าพระพงค์จะยากจนและกลายเป็นขโมยและกระทาให้พระนามของพระเจ้าเสื่อมเสียเป็นมนทินพี่น้องครับเราจึงไม่ควรจดจ่อที่อาหารในวันพรุ่งนี้เกรงว่าเราจะลืมพระเจ้าครับแต่เมื่อเรามีอาหารมากเกินไปเราก็อาจจะลืมแหล่งที่มาของอาหารก็คือพระเจ้า นะครับนะครับสังเกตดูนะครับคนอเมริกันนั้นร่ํารวยนะครับคนที่อยู่ในโลกตะวันตกนั้นร่ํารวยดูเหมือนว่าเขายิ่งร่ํารวยมากขึ้นเท่าไหร่เขาก็ยิ่งไปเิดจากอธิษฐานนะครับน้อยลงเท่านั้นเขายิ่งมีชีวิตที่เกรงกลัวพระเจ้าน้อยลงกลัวการทําผิดบัญญัติน้อยลงนะครับเกี่ยวกับรุ่งการเรื่องประเวณีการโกหกการขโมยหรืออะไรต่างๆพี่น้องครับน้อยลงหมดถ้าชาวอเมริกันกลับไปยากจนหิว ในสมัยเศรษฐกิจตกต่ำเขาอาจจะร้องขอพระเจ้าเหมือนกับคนอิสราเอลครับขอทรงโปรดประทานอาหารขอทรงโปรดประทานการช่วยเหลือขอทรงเป็นที่รีัยเป็นที่กำบังเป็นโลและเป็นดั่งของข้าพระองค์เห็นไหมครับผู้เขียนุภาสิทธกล่าวว่าเขาจำเป็นต้องมีอาหารที่พอดีนะครับขอให้พระเจ้าประทานอาหารที่พอดี เพราะถ้าไม่มีอาหารประจำวันที่พอดีเราก็เป็นจนคนจนครับอาจจะขโมยหรืออาจจะทำให้พระ น, นามของพระเจ้าเป็นมนทิเมื่อเราไม่มีอาหารเพียงพอความหิวของเราอาจจะผลักดันเราให้ปฏิเสธพระเจ้าผู้ทรงประทานความจำเป็นให้กับเราพี่น้องครับในชีวิตของเราทุกวันนี้นะครับอาจจะไม่ได้หิวโหยฝ่ายร่างกายหรือฝ่ายกายภาพแต่เราหิวโหยในแบบอื่นครับเราหิวโหยฝ่ายวิ ญ, ญญาณนะครับ เพราะเราขโมยเราโกหกเราทำลายกันและกันนะครับด้วยความอิจฉาริษยาเราขาดคุณธรรมในชีวิตเราไปนีบันนอนมาตรฐานของเรากับมาตรฐานของโลกเราไปดิเสดสิทธิอันชอบธรรมของพระเจ้าในสังคมเราเล่นพักเล่นพวกเราขับสนในครอบครัวของเราเมื่อเราปฏิเสธที่จะรักเมื่อปฏิเสธที่จะให้อภัยครับพี่น้องเรากลายเป็นคนยากจนในครอบครัว เราปฏิเสธที่จะรักปฏิเสธที่จะให้อภัยปฏิเสธที่จะให้เกียรติกันปฏิเสธที่จะมีความกลมเกลียวสามัคคีกันพี่น้องครับนี่คือสิ่งที่เป็นเนื้อหาสาระในวันนี้นะครับพอเพียงพอดีและพอสมควรขอพระเจ้าอวยพระพรพี่น้องที่รักทุกท่านอาเมน